สติปฐานสี่แบบง่ายๆการภาวนาเท่าที่ได้ข้อมูลมาเนี่ยง่ายที่สุดไม่ต้องไปนึกอะไรอย่างดีก็พุทโธธรรมโมสังโคสามจบและทำสติกำหนดรู้จิตเฉยอยู่พอจิตว่างอยู่ปล่อยให้ว่างถ้าจิตคิดปล่อยให้คิดเอาสติตามรู้ ทีนี้ถ้าหากว่าจิตยังไม่มีพลังพอคิดปับ๊บเรากำหนดรู้เขาจะหยุดคิดมันก็เป็นความว่างว่างแล้วเราก็รู้อยู่ที่จิตการรู้อยู่ที่จิตเป็นจิตตานุปัสสนาเมื่อจิตคิดขึ้นมาเรากำหนดรู้ก็ธรรมานุปัสสนาพร้อมๆกันนั้นสุขทุกข์ก็เกิดขึ้นจิตของเราก็รู้เองโดยไม่ได้ตั้งใจก็เป็นเวทนานุปัสสนา กิริยาอาการที่กาหนดหมายรู้สิ่งต่างๆได้มันเกิดจากประสาททางสมองก็เป็นเรื่องของกายานุปัสสนาพอเรานั่งพับลงไปเราก็รู้ว่าเรามีกายนั่งไปนั่งมามีสุขทุกข์เราก็รู้จิตว่างเราก็รู้จิตคิดเราก็รู้เวลาจิตว่างเป็นจิตตานุปัสสนาถ้าจิตคิดเป็นธรรมานุปัสสนา เมื่อจิตว่างอยู่เฉยๆพอรู้อยู่ที่ความว่างคือมันไม่มีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นจิตรู้อยู่ที่จิตก็เป็นจิตตานุปัสสนาแต่ถ้ามันคิดขึ้นมาปับ๊บเรื่องที่คิดเป็นธรรมานุปัสสนากำหนดหมายเอาอย่างนี้ง่ายดีถ้าเรายังอยู่ในความคิดอันนั้นก็เป็นธรรมานุปัสสนาเรื่อยไปถึงแม้เรื่องที่คิดจะไม่เกี่ยวกับธรรมะอันเนี้ยนักธรรมะเราคงจะเข้าใจผิดว่า ความคิดเรื่องราวต่างๆเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องอะไรจิ ป, ปาถะถ้านอกจากคำพีแล้วถือว่าไม่ใช่ธรรมะแต่ความจริงสิ่งที่เป็นอารมณ์จิตทั้งหมดที่เรารู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจทั้งหมดทั้งเรื่องธรรมะทั้งเรื่องวิชาการทางโลกทั้งธรรมศาสตร์รัฐศาสตร์วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของธรรมะทั้งนั้น มะทั้งหลายเหล ini, ่านี้เป็นสิ่งระลึกของจิตสิ่งระลึกของสติเพราะฉะนั้นจิตของเราจะคิดถึงเรื่องอะไรก็ตามเป็นเรื่องของธรรมะทั้งนั้นคิดเรื่องบาปก็ทํามานุปัสสนาสติปัฏฐานคิดเรื่องบุญก็ทํามานุปัสสนาสติปัฏฐานคิดเรื่องนรกสวรรค์นิพพานก็ทํามานุปัสสนาสติปัฏฐานคิดเรื่องครอบครัวก็ทํามานุปัสสนาสติปัฏฐาน เมื่อจิตคิดไปไม่ต้องบังคับจิตให้กลับมาบริการพุทโธปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติแต่เอาสติจ่อเอาไว้ที่นี้มันสังเกตง่ายถ้าจิตของเรายังไม่มีพลังเพียงพอพอคิดขึ้นมาเรากำหนดรู้เขาจะว่างนี่แสดงว่าจิตยังไม่มีพลังพอจิตมีพลังเราฝึกไปเรื่อยๆเขาคิดขึ้นมาเรากำหนดรู้ เขาไม่ยอมหยุดจะให้หยุดก็ไม่ยอมหยุดอันนี้เรียกว่าจิตมีพลังงานมันจะเป็นไปทั้งฝ่ายดีแล้วฝ่ายชั่วจิตจะปรุงแต่งดีชั่วบาปบุญไม่สำคัญอย่าไปสนใจเพียงแต่รู้อย่างเดียวเท่านั้นสิ่งใดที่จิตเราแต่งขึ้นมาเองเราไม่ได้เจตนาที่จะแต่งขึ้นมามันไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปมันเป็นกลางๆบุญบาปเนี่ยต้องมีเจตนา ถ้าเจตนาไม่พร้อมคิดปรุงแต่งอย่างไรก็ไม่มีบาปไม่มีบุญ